ขอกราบคาราพรณนาตัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเจริญอขอกราบน้ำมันในการกุบบายจารยหลวงพ่อฟูเป็นประธานกุบบายอาจารย์ทุกท่านตลอดทางตลอดตั้งมั่นแนทุกทุกอย่จเจริญพร ไม่ชีอุบาสกบาิกาถกไฟทำเทลายรนั่งตามสบาย <c oughs> พวกใหม่ก็มีพวกเก่าก็มีก็จะพูดตั้งแต่ต้นต้นี่แหละที่เรามาฝึกหัดใหม่ๆเนี่ยเพราะไม่เคยเท่าไหร่เราก็ยังไม่ทันรู้ พวกเก่าก็จะพอไปได้แล้วก็ฟังทุกวันทุกวันแล้วก็เบียรหน่ยแล้วแหละพวกเคยฟังแต่พวกไม่เคยฟังนี่ก็สงสัยอยู่ตั้งใจหลวงพ่อก็เป็นคนตั้งใจพูดพวกฟังก็ให้ตั้งใจฟังคือ <c oughs> <c oughs> เรา มานี่คือมาฝึกหัดตัวเองฝึกหัดให้ให้มันเป็นไม่เหมือนเราเรียนหนังสือเรียนหนังสือนี่คือเรียนจำํรจำรู้จํารู้จักได้เรียนได้แล้วก็ไปสอบไม่ว่าไปเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นพระเป็นสงฆ์เรียนจํา ของใครของมันของโยมของพระเมื่อคนละอันก็เรียนไปก็รูปเหมือนกันนะรูปแล้วก็ไปสอบแต่นักทรรตีโทเอกมหาการไปเรียนจน ถ, ถึงจบรับเรียนเก้ า, าก็เป็นด็อกเตอร์ไปก็มีนั่นแหละอนัอ น, น, น, เ, นเรียนเหมือนมาเรียนรู้จํารู้จักเรียนแล้วก็ไปสอบ ได้ ừ. จนหมดอาจารย์สอนนั่นแหละอก็ลู้จั ก, จ ก, จกเรียนเพื่อว่าเราจะเอามาเป็นอาชีพมาเป็นที่พึ่งของเรานั่นแหละมาเรียนมาให้เรารู้แต่ว่าพวกเราเรานี่มาเรียนคือให้ออกจากทุกเรียนดูจิตดูใจของเราที่มันพาเราคิด ลักคิดชังคิดอิจฉาคิดพยาบาทคิดจองร่างจองผันกันวุ่นเวียนไหวยอยู่ในภพในชาติเราจะพูดสอนกันไปแบบนี้คือให้ออกจากภพจากชาติไม่ให้ไปอยู่ในวันงวนความคิดอยู่นั่นอ่ะมันไม่รู้จะจกกบไม่รู้จะสิ้นนี่เกิดมาเนี่ยเราสร้างอะไรไว้ เราได้อะไรไว้เรามีอะไรไว้ไม่ว่าทางวัตถุหรือทางทางนามธรรมเราจะพากันไปติดติดทุกอย่างเลยติดแล้วก็ไม่รู้จกถอดไม่รู้จกถอนมันก็เลยฝังเข้าไปในกระดูกเราในเลือดเนื้อในเนื้อในเส้นในเอ็นในหมดตัวหมวดตัวครงนี้แหละจนกลายเป็นความเคยชินเคยรักก็รัก อยู่อย่างเดิมเคยชังก็ชังอยู่อย่างเดิมเคยยึดติดเดือดถึงนั่นยึดติดิดึง น, น, งนี้ทั้งดีทั้งรักทั้งชังทั้งชั่วทั้งดีสารพัดปนกันอยู่อย่างนั้นตลอดไปนี่แหละก็เราก็หวังอยากได้ดีทุกคนถ้าเราไม่มาศึกษาเราก็ไม่รู้จักรู้แล้วเราก็รู้จักถอดถอนออกให้ละให้วางให้ปล่อยไม่ให้ไปยึดติดในสิ่งที่มันเกิดขึ้น นั่นน่ะตั้งแต่ก่อนนะมันเราไม่รู้จักมีแต่ไปเอามีแต่ไปเป็นแล้วก็ทุกบ้างดีบ้างเสียใจบ้างอยากได้ดันอยากได้ น, น, ดนี้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี้ก็มันแต่ที่จริงแล้วมันไม่เป็นอะไรหรอกมันก็เป็นอยู่กับเรานี่แหละมันมาสร้างขึ้นเองอันนั้นแหละเราโดยเราไม่รู้จักเราก็ไปสร้างขึ้นมา สร้างขึ้นมาแล้วก็ไปยึดติดไม่รู้จักละจักปล่อยจักวางนั่นแหละตั้งแต่โลกวนี่แหละเราทําอะไรไว้มีอะไรไว้มีลูกมีเมียมีสรารพัดที่มันเกิดขึ้นน่ะเกิดตลอดทั้งทรัพย์สินเงินทองของได้เราหามาเนี่ยคือหามาแล้วก็ไม่รู้จักปลดจากปล่อยจากละจากวางก็เลยไปยึดติดในสิ่งนั้นนี่ ตลอดถึงลูกถึงหลานเราก็เหมือนกันหมดแหละห่วงกันไม่อยากตายหนีกันไม่อยากพัดพากจากกันเราก็ไม่อยากพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งหมดอยู่ในโลกเนี่ยไปอยู่ในวังวนอันนี้กลับไปกลับมาทั้งอดีตทั้งอนาคตสารพัดตั้งแต่มันจะเกิดขึ้นมาเราไม่รู้จะเก็บเราไม่รู้จะปวดจะปล่อยก็เลยเป็นมูลดกของเราติดไป ในในอันดีเราก็ไปอยู่กับอันดีไปติดอันดีอันทั่วก็ไปติตอยู่กับอันทั่วทั้งดีใจทั้งเสียใจปะปนกันไปสารพัดตั้งแต่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเรามารู้จักอันนี้แหละมันจะได้เป็นมุนระดกของเราใครทําดีก็ไปได้ดูได้เกิดอยู่ที่ไหนก็มันก็ดีไปตกที่ไหนมันก็ดีคนทําชั่วไปอยู่ที่ไหนมันก็ชั่ว อยากได้ดีทุกคนแต่เราไม่รู้จักปวดไม่รู้จักปว่วยไม่รู้จักละไม่รู้จักวางมีแต่ไปยึดมัน่นถือมัน่นไปคล้องแแะไปโ น, น่นไปคล้องแแบไปนี่ไปคาติดบ่วงติดอะไรสารพัตทั้งนั้นมันนั่นแหละคือว่ามันมันคิดไปสร้างขึ้นเองไม่รู้จักนั่นก็ไปติดบ่วงยงของตัวเองนั่แหละทำไว้นั่นแหละไม่ใช่ว่าคนอื่นมาทําให้ เราไมื่อจากบทจากลามันก็เป็นกรรมของเราอยากได้ดีนี่แหละถ้าเราไม่รู้จักเราก็ไปอยู่อย่างที่เราเคยเคยอยู่มานั่นแหละเคยสร้างสรรค์เคยมีเงินมีทองมีเข้ามีของมีรถมีเรือมีอะไรสรพัดนั่นแหละอยากจะมาทำอย่างเรานี้มันก็มาไม่ได้เพราะว่างาน เออมันเราสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครดูแลให้แล้วก็เลยไปติดในสิ่งนั่นอยู่เอาไปเอามามันก็เลย น, ด น, นดัดวันนั่นมัดวันนี่ว่าจะมาทำคุณงามความดีมันก็ไม่สมหวังเพราะว่ามันยังคล้องยังคาสิ่งนั้นถึงนี่อยู่ก็เลยไม่มีเวลาเอาไปเอามาก็เลยบางคนก็ป่วยไปก็ตายไปก็มีบางคนก็แก่ไป ค่อยตายก็มีเท่าซาลาการทําไม่ได้อยากมาเมื่อก็มาไม่ได้วันนี้ก็เลยหมดหมดเวลาแล้วอันนั้นน่ะวันจะตายแล้วก็นี่คิดเห็นแนบปะเนี่ยเห็นคนไหนเป็นลูกเป็นพระเป็นอะไรนี่ก็ใสอินใสอ่อนคือมีความเปี่ยมดีภาคภูมิจิตใจกับลูกกับหลานอยากจะให้ลูกหลานเป็นมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติตัวเองนั่น มันได้สมัยแล้วไม่มาทําไม่ได้แล้วแล้วก็เลยอยากจะให้ลูกให้หลานมาบางคนนะแต่ลูกหลานมันก็พ่อแม่พาไปยังไงมันก็เป็นไปตามตามพ่อตามแม่น่นะนะพ่อแม่ขี้เกียจลูกก็มันก็ขี้เกียจไม่รู้จักทางรู้ จ, กจักจะทางเข้าทางออกไม่รู้ก็เลยพากันจมตายอยู่ในป่านี่แหละนี่ถูกปีศาจลากเกนไปหมดเลยนีออ่ออก ไปมาได้ก็น้อยนี่แหละอย่างที่เรามานี่แหละพวกนี้พวกนี้จะถอดถอนออกได้จากบ่วงแข่งมันที่มันคล้องที่เรามา น, น่คืออะไรคือผมคิดนั่นแหละไม่มีที่ไหนหรอกมันมาคล้องคล้องไว้คล้องคอตันหาฮักลูกคือเหมือนเชือกผูกคอตันหา รักผัวรักเมียคือปอผูกศอกตาตันหามรักเจ้าของรักเข้ารักของน่ะเหมือนปอกสุกตรีนเนี่ยไปไหนไม่ได้ดอกตายไปแล้วก็ห่อมันไปทิ้งห่อมันไปทิ้งก็เอาพระเอาอะไรไปแก่เอาไปห่มเอาไปไปจูงฮะว่าว่าให้พระจูงเข้าใจไม่ยอมให้มาดูดีๆแล้วไม่ใช่จูงนะเอาพระไปแก่ แกไปทิ้งอย่างหมาเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าเอาไปทิ้งจะกวายจะกวายแก่ไปนะมันมันดูมันไม่ไม่ไม่สมควรก็เลยตกลงเอาขามออกหามไปเออนั่นแหละวันนี้ก็ไปถึงปรชาชญ์ก็หามกันไปวนอยู่สามรอบเออตอนเดินทางมันนี้ก็มีคนหนึ่งเอาเข้าเปลือกนี่แหละไปวานเอาเข้าเข้าตอก ขั้วเข้าตอกแล้วก็ไปหวานหวา น, หวานออกหน้าหวานไปหวานไ ป, นไปเร่อยไปไม่ไม่รู้หรอกทำตามตามกันไปเตยนั่นแหละไม่รู้จักพาษาอะไรหรอกแต่ว่าก็ <c oughs> าไปทำ ต, ตามกันไปงั่นแหละความหมายของมันก็คือคนเราเนี่ยมันก็คือเหมือนกระคือเหมือนเข้าตอกมาแหละตายไปแล้วเอาไปหวานที่ที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่เกิด เยที่ถูกที่น้ำที่ชุม่มที่เปียกที่แข็งมันก็ไม่เกิดมันก็เป็นอยู่นั่นมันไม่เกิดให้เนี่ยคือว่าความต้องการนึกว่าอยากยคือว่ามันหนักพอในพวกบ้านเขาพูดกันนะหวานไปให้ผีที่เราหามอยูน่นันนะ่ะให้มันมากินแล้วมันได้เบาไม่ให้มันหนักพวกพวกคนที่เดาเว้ากันเนานะ่ะ นั่นแหละใชมอันแล้วก็ไปถึงกล้องฟอนก็ไปไปรอบรอบสามรอบรอบที่หนึ่งั่นก็คืออตันหาหักลูกเหมือนปอกผูกคอนี่แหละรอบที่สองตันหามักหักแล้วเข้าของคือปลอกเสียผูกคอ ป, ปอลอกซอกปอกสุตีนนี่แหละที่สามสารอบเนี่ย ไปไหนไม่ได้หรอกบกบกเวียนเวียนตายแล้วเออก็มาอยู่นี่แหละกับมาขึ้นไปจับจับไปไหนก็ไปไม่ได้ตายไปแล้วก็มาหยุดแช่งแค่ใจหัวจำเพิน่นว่าบอกตามภาษาบ้านนอกเออไม่ได้หนีไปเกิดไปขานที่ได้แหละเพราะว่ามันมันติดเนี่ยพอคนตายแล้วก็เอาไปขึ้นไปเลี้ยงอ่าเอาเข้าเอาผ้าเข้าไปเอาผ้าไปแน้ะ เนี่ยบางสกุลน่ะมาติกาเจ้า ก, ก็แต่งสำรับกับเข้าไปให้กินแีลยแล้วก็ไปเคาะโงนั่นแหละเนี่ตอนที่รับถินนี่ก็ให้มามารับสินมารับสินเดอ้อว่างานลุกเคลื่อนมารับรับินเนี่ยเคาะโรงปุ๊กปุ๊กปุ๊กสามทีมนั่นแหละมันมันมันมันจะลกมันไม่นะมาน่าดอกมันบอกได้มันก็ท่านนี่มันตายแล้วไม่จะรู้จักอะไร เออนั่นแหละทํามตามตามมันไปแล้วก็เอาพระเข้าไปให้กินมันมันกินได้ทำไมคนตายเรากินไม่ได้หรอกนี่มันก็ทำตามตามมาเท่าทุกวันนี้แหละถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้คือย่านกวาคนที่ตายไปไม่ได้กินข้าวอย่าตายอดตายอยากทำามตามกันไปอย่างแต่เนี่พระพุทธเจ้าท่านมาสอน ได้เงนก็ไม่เอาเนี่ยเนี่ยอย่างที่ทําเป็นการไปงานอะไรตักบาตรบ้านหรือว่าทําบุญบ้านที่ไหนก็ต า, ามก็มีมักนี่แหละทำเข้าพระพุทธเนี่ยทําเข้าพระพุทธเนี่ยไปเลี้ยงพระพุทธเจ้าถ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีคําพูดไม่ได้ว่าไม่แต่งนั่นไม่ยอมเนี่ยเขาถือ หนักถือนหนาเลี้ยเกินอย่างที่บ้านพ่อหลวงพ่อเนี่ยเท่าตอนนี้เนี่ยบอกกันไม่เอาเต้เทียนใต้ทูบนี่บอกไม่ให้ใต้เขาไม่ฟังบุญยนเนี่ยเขาเรียกว่าบุญพระเวทเนี่เอาตอนที่ออกพรรษาแล้วเนี่ยเนี่ยไปเอาบุญพระเวทนี่ก็เทียนมุกทูบมันทูบมันเทียว่าใต้ไปจุดไว้ พระอยู่ทังจนหันเขมก็ได้เลยเนี่ยเห็นพระพวกเราไปเนี่ยจยันมหาเด็กไปเอาถูกเขา ด, ดับไปดับเทียนเขาเขาโวยเขาโกรธเขาโมโหเขาว่าพระไม่ยังไงไม่มีอะไรทำอะไรไม่มีระเบียบเรียบร้อยี่เขาถือมาเท่าไรแล้วเขาไม่เห็นมาทำลายเลยนะฮะว่าพวกเราได้ไปทำ ลายพุทธศาสนาเนี่ยเนี่ยบางนั่นแหละมันเป็นอยู่นั่นนะ่ะทำตามตามกันไปแล้วไม่ใช่อันอยังพวกเราเนี่ยไต้ก็ได้ไม่ไต้ก็ได้เมันมอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธให้พระธรรมให้พระสงฆ์แล้วเราไม่ไม่เอาแล้วอันนั้นนะ่ะอยู่กับใจของเราถึงแม้ว่าเ้าจะทำอะไรได้ก็าตามถ้าใจไม่ตามจิตไม่ใส่ใจไม่ตามแล้วก็ไม่ได้อะไรมันไม่รู้จักอะไรหรอกถ้าใจิตใจเราดีแล้วนะ่ะ มันไม่เป็นไรทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อันนั้นนะมันอยู่กับใจของเราเรามาฝึกกีดฝึกแกของเราให้มัน ใ, ใ้มันสะอาดมันสงบอันนี้มันเห็นใจของเรามันคิดไปไหนเราเห็นเวลาเรามาปฏิบัติอย่างเนี้มันจะเข้าใจนั่นะให้เราจะไปตกใจแต่ว่าเราอยู่กับสังคมเขาเราจะไปว่าก็ไม่ได้หรอก ให้เขาทําไปเถอะพวกเราเนะี่ยก็ไปไปกับไปไปนปะปนเขาแต่ว่ามันพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดก็ให้เอาแต่เขาจะทําแต่ว่าเราเราทําอยู่เอาใจเรานี่แหละมันถือมั่นอยู่พอแล้วพวกเราเนี่ยถือมันอยู่กับใจเราเอี่ไหว้ไหว้นี่ก็ไม่ต้องนั่หรอกรับศีลก็เราน่นน่นนี่เออทรมท า, านเอาเลยไม่ต้องว่าว่ายากพวกเราเนี่ยอย่างที่ทําอยู่เนี่ย ดีมากเลยไมไม่ไม่ลำบากเลยมีแต่ว่าไปว่าแล้วก็กราบพระแล้วก็ว่าไปจบแล้วก็ให้บวหชหางศิลแล้วก็มีแต่ให้พระว่าให้เลยวนันนี้พอว่าว่าเสร็จแล้วก็ว่าอะไร <c oughs> ลืมไปแล้ว <c oughs> สีเลนะทุกติงอินตีสีเลนะโพกจัมปัธาที่เนี่ยนีพพุตุงเจตตมาที่ลังเวโสตะเลเยก็หมดไปเลยซาทุก็แล้วไปเนี่ยก็แล้วไปไม่ได้ว่านำอะไรแต่อยู่ไปทางบ้านนอกเราต้องว่าเขาทางนันเขาไม่เต็มใจเท่าไม่ก็ทาเหมือนเดิมหมดเละแต่มีพวกบุตรนี่ไม่ต้องเขามาํามนี่หาว่าเราทาเล่นนี่อย่างที่คนตายเนี่ย หลวงพ่อไปทําไม่ให้มีเล่ามียามีอะไรเลยเออเอาของน้องมาทําเออมาทําแล้วเขาเขาว่าเขาไปบุญทาอย่างนี้มันไม่ได้บุญเด้อเขาว่างนั่นอะไรอะไรก็คล้ายๆกับทําเล่นเขาว่านะแต่ว่าเรานี่ทําว่าทําดีอย่างอยังยังเต็มไม่มีอะไรตกบกขาดตกบกพร่องเลยแต่เขาว่ามันไม่ดี นั่นแหละเขาเห็นแลดรคเป็นะวันค์เห็นก็อกเป็นดอกบัวทำไปแล้วก็ไม่ได้บุญดอกได้ก็ได้ได้ไดนิดๆหน่อยๆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาน้ำไปน้ำเมาไปให้กันกินอยู่ตลอดวันตลอดคืนเนี่ยทำว่าทานให้พระก็องค์ละยี่สิบบาทสามสิบบาทห้าสิบบาทโองแล้วร้อยท่าหละไรยังมากมาก เนี่ยอย่างคนที่มีเงินทองทองหลายแท้ก็วงละห้าร้อยก็มีนะแล้วบัด น, นี้ก็ส่วนทานเอาไปให้พวกเรากินให้ข้าหมรำนั่นแหละหมดเป็นหมดเป็นแสนได้หลายแสนมันไม่มันไม่ได้สมมันไม่ไ ม, ไม่สมได้สมดุลมันก็เลยผมบอน้องพ่อว่านี่ว่าว่าทำเล่นเนี่ยน้องพ่อว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยน้อ ง, องพ่อก็ทํา ทำบุญอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ครึ่งเลยทู่เรามาทำแบบนี้ไม่ได้ก็ว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเราก็ทำทำไม่มีเวลาหรอกทาบุญคนนั่นเป็นคนนี้เป็นแล้วก็ไปช่วยเขาช่วยเขาแล้วก็ไปทำเหมือนอยู่นั้นเนี่ยแต่ว่าพลทุไทยเขาเราไม่ไม่เคยเห็นจินใจตัวจรจักทีเลยไปบุญนั่นก็อย่างนั่นแหละ พูดก็พูดเลี่ยงตแต่เดว่าโอ้นกันนั่นแหละคนนั้นดีคนนี้ชั่วลูกคนนั้นเป็นงั้นคนนี้นั่นลูกเคยลูกใข่ไปงั้นนี่พ่อเท่าพ่อตาเป็นงั้นนี่โอยวุ่นเลยพูดตั้งแต่เรี่องเรื่องนี้แหละนี้มาได้อยู่อย่างนั้นแหละหลวงพ่อว่าไปรักษาศีลก็ดีพูดตั้งแต่เรื่องเรื่องนี้เรื่องแต่คนเนี่ยเลี้ยงพี่เรื่องน้องเรื่องมนุษย์ด้วยกันนี่ยดูถูกนินทากัน นอนแค่อยู่นี่ตลอดเลยนี่แหละครับนอนไปที่นอนเตี่ยนอนน้ำนอนที่เน่าที่เหม็นที่สาบที่โขงเหม็นโคงเนี่ยบาปทั้งนั้นแหละครับไม่ไม่ได้บุญเลยนี่แหละพอเรามาแบบนี้น่ยมันมันรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักจริงจริงนั่นเขาไปทําจนว่ากระดูกเขา จะเข้าโรงแล้วเขาก็ยังไม่รู้จักบุญเลยบาปเขาก็ไม่รู้จักเออก็ว่าเขา เ, เขาไม่รู้จักเนี่ยก็เขามาถามอ่ะถามว่าต้องพ่อมันมีจริงจริงหรือบาปกับบุญเนี่ยเนี่ย แ, แต่แต่เขาทําอยู่นะั้นเขายังไม่รู้เลยตั้งแต่ก่อนผมก็เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันพอมาเข้าใจมาปฏิบัตินี่แหละโอ้ยน้อยอกน้อยใจถ้าไม่มาทําแบบเราเนี่ย มันไม่ได้อะไรหรอกก่อยพวกวนเวียนไหวนี่แหละวุ่นวุนอยู่นี่แหละเป็นสัตว์ในชั้นเป็นสัตว์นโลกเป็นเปรตเป็นอสราตอยู่นี่กลัวจะได้ออกจากอันนี้ไปได้บางคนไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเลยเป็นแต่หน้าตายเฉยจิตใจเนสร้างแต่ความไม่ดีให้ตัวเองหน้าหวาดเสียวหน้ากลัวเกิดมาเนี่ยพอพระเจ้าเนี่ยท่านสงสารเลยสงสารโลกเนี่ยไม่อยากให้คนออกจากทุกข์กินกับทุกข์นอนกับทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ เนี่ยน่าน่าอาาัศจริงเพราะฉะนั้นให้เราพยายามทำเออทำเออคนใหม่ๆนี้ก็การปฏิบัตินี้ก็ให้ดูตัวเองนะให้ดูกายนะะั่นแหะดูกายดูกายแล้วก็ดูใจหากายหาใจนี่ให้มันเห็นให้มันเห็นตามความจริงเวลาเราทําอะไรก็อยู่เดินจงกรมอยู่หรื อ, รอสร้างจังหวะอยู่ให้ดูเออดูกายเนี่ยเดินไปเดินมากลับไปกลับมาเนี่ย ของที่นี่ยากคนจะเห็นนะอันเห็นเห็นตนเห็นตัวเองน่ะไม่เห็นเลยอันเราเห็นตอนนี้มันเราไปเอาของเขามาใช่ระยะหนึ่งระยะหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วนุ่งมันก็ตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกตายไปก็เอาไปไม่ได้มีแต่ไปสู้กรรมถึงที่เราทำไว้นี่แหละกว่าจะได้เป็นคนมาอีกกะโอ้ยากยากแต่แท้มาเห็นจิตเห็นใจตัวแท้แรกเนี่ยเห็นรูปพระนามเนี่ย มันไม่เห็ธรรมดานะเห็นรูปพระนามเนี่ยเ ท, ท่ากับเราตายตายไปแล้วเราเราคืนเรามาเป็นมันมันมาเกิดใหม่นะ่ยไม่มีอะไรชินดีเลยมีิั้งแต่นี้นะไปเห็นนี่อาการถึงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเออเป็นสัตว์ไ ด, นนดนรนชั้นเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสูรกายเนี่ยมิต่เราสร้างขึ้นเองหมดเลยไม่มีไม่มีจะมาเกิดกับเราไม่มีอะไร มีแต่เราสร้างขึ้นเองเนี่ยความดีเราก็สร้างขึ้นเองความช่วยเราก็สร้างขึ้นเองมันก็เป็นอยนะวนวุ่นวายกันอยู่เนี่ยสับสนอิจฉาพยาบาทกันไม่รู้จกเกี่ยวไมาจากที่นเนี่ยมันบาปบาปมากมากมนุษย์เนี่ยตัวเนี่ ย, ต, ยตัวสําคัญในโลกเนี่ยไปไหนไปไหนแตกแตนไปหมดเลยป่าเมืองอะไรกันั่นก็เลยเกิดสงครามตัวเองเนหละถ้าไม่รู้จักก็ ไม่ยากละจากวางก็สร้างกำให้ตัวเองแล้วนี่มีแต่เราสร้างขึ้นเองหมดนี่นแหละเนี่ยเราให้พยายามจะอย่าเกลียดอย่าคานเราเป็นสมบัติของเราหมดเลยที่เราทําไปเนี่ยไอ้ก็เป็นของส ม, มบัติของเราอันชั่วก็เป็นสมบัติของเราเนี่ยความโกรธก็เป็นสมบัติของเราความรักรก็เป็นสมบัติของเราความอิจฉาความไม่ยับบาทจองร่างจองผ่านกัน ฆ่ากันลบกันเทียงกันสารพัศเป็นของเราทั้งหมดเลยของใครของมันถ้าใครละปล่อยวางไม่เป็นก็กว่าจะไปใส่ชตชกรรมตลอดนี่เขาจะไม่ไม่รู้ว่าจะจกกับจีกรรมจีกับกี่กันเนี่ยไม่ใช่น่นได้นาหน้ า, ห น, าหน้าบาดกลัวหน้าเสียวเนี่ยเราจะไปะนั่นเลอะ เราจะไปห่วงเลยถึงที่เนี่ยให้เรารู้จักกาลเทศะให้รู้จักยามปดปล่อยวางมันไป อ, อให้เกิดมาแล้วก็มีลูกมีเต้าพอเขาจะทําให้เราดีเราได้พอคุม้มเราได้เราก็เราก็ปล่อยให้เข้าไปให้เขาทําไปมีทรัพย์สินอะไรก็แจกให้มันอย่ากจะไปเอาไว้ลูกเรามีเท่าไหรก่ก็แจกให้มันเท่าๆกันแ จ, จกแล้วก็ให้เขา ได้ตั้งตนตั้งตัวพอเลี้ยงเราได้ก็เนี่ยไปให้เขาเรียนนังเตือให้เขามีหน้าที่ทําแล้วก็เราก็หาวิธีออกมาทั้งคู่นั่นแหละทั้งผัวทั้งเมียนั่นแหละทั้งพ่อทั้งแม่นะะ่มนะมาเข้าวัดจำศีลเนี่ยลูกถ้าลูกเต้านะ่ะยิดเห็นคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรก็ไม่เหมือนพวกเราให้พ่อให้แม่มามาเข้าวัดจําศีล แล้วก็ให้มาเจริญภาวนาอันนี้ยอดบุญยอดประคุสูงสุดเลยเนี่ยเราทำเนี่ยทำบุน้อยข้างพันผลก็ไม่ได้เท่าดเท่ามาประพฤตินี่ดอกนี่สามารถดูจิตดูใจสิ่งที่มันสุโกโผลมันถ้าเราไปตกทุกข์เรียกเรามองเห็นเราเลิก เ, เ, เราไม่ทำเราไม่เอาเนี่ยมันสบายสบายมันแต่บายใจเนี่ยตั้งแต่ก่อนจิตของเราเนี่ย มันไม่มีที่พักมันมีที่อาศัยสร้างพบสร้างชาติจงนั่นแหละบัดเรามาเห็นจิตเห็นใจเห็นความคิดเนี่ยมันเบิกมันบานมันปลอดมันโปร่งมันโล่งมันสบายเนี่ยเพราะอะไรเพราะใจเรามันมีมันมันมีที่พักแล้วมีที่อาศัยแล้วพอมันจิตปุ๊บไปเราเห็นเห็นแล้วเราก็มาอยู่กับตัวรู้สึกตัวรู้สึกในตัวสติตัวปัญญาของเรานี่แหละตัวพุทธะตัวน้องพึ่งตัวนี้ มาเพิ่มตัวเนี้เขาดึงไปเราดึงมาที่แรกนั่นก็มันก็ไปดึงพอดึงมาก็ดึงไปดึงไปดึงมาด้วยแหละพอที่เขาที่เขามาเขา้ามาเขา้ามันค่อยห่างออกห่างออกนี่พอเราอยู่อยู่กับตัวเนี่ยตัวคิดเนี่ยมันจะอย่าไปอย่าไปพามันทันชาตญาณของเราธรรมดาธรรมดาไม่เกิดมาห้าเหตุเราเห็นเราเห็นแล้วเราเข้าไปเป็นกับมันซะ อันดีเราก็เข้าไปดีใจกับมันซะถ้ามันโมโหก็ไปโกรธไปเครียดนะมันซะเนี่ยมันอิจฉาคนอื่นก็ใจไม่ดีเราก็ต้องไปอยู่กับมันไม่รู้จากปวดไม่รู้จากปล่อยไม่รู้จากดะไม่รู้จากวางมันก็เกิดความวุ่นวายกันนั่นแหละสร้างมันจะเป็นอยู่นั้นเอรเรามันเห็นเห็นแล้วเราก็ออกมีตัวเพิ่งแล้วตัวรู้สึกเนี่ย มาอยู่ตัวนี้แหละเดินอยู่กับตัวรู้สึกวันยังข้ามละไม่ต้องไปสนมันคิดก็ให้มันคิดไปเราอย่าไปสนใจให้มันสนใจกับความรู้สึกเนี่ยเนี่ยกายรู้สึกใจรับรู้กายรู้สึกกายรู้สึกใจรับรู้คนหนึ่งเป็นคนเป็นคนรับรู้คนหนึ่งเป็นคนเคลื่อนไหวเนี่ยเดินเห็นไมนะ่ยยกมือรู้ไหมเนะ่ย เนี S <S ่ยยไม่ให oh. ้ไปจ้องไมู่ไม่ให้ไปเพ่งให้ยกลูดรูเฉยๆรูเฉยๆเนี่ยเนี่ยยกยกขึ้นอมรูเนี่ยรูเฉยๆรูไม่เอาเนี่ยยกใหม่รูใหม่ยกใหม่รูใหม่เหมือนเราเดินเดินพราเทาตัวพื้นให้รูเลยอย่าอย่าไปรู้แบบยาวๆงี้มันหนักปั๊บดูเนี่ย ปั๊บรู้ให้อยู่ปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันขณะขณะที่เท่าตกวพื้นเนี่ยนี่แหละปัจจุบันถ้าวันนี่มันเป็นอดีตแล้วเอาเป็นเอาเป็นอนาคตแล้วเนี่ยเนี่ยเนีบนเนี่ยว่าเป็นเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันไปเนี่ยเนี่ยปัจจุบันนะให้เห็นอันเดียวเห็นแต่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี่ให้ตัดออกไปเลยอย่าเอามาคิดอย่าเอามาพูดอย่ามาอย่าให้มันมารบกวนมันมัน มันกลายมาแล้วมันหมดมาแล้วเราเออกคืนไม่ได้เนี่ยมีเงินมีทองมีเข้ามีของตั้งแต่ก่อนนั่นน่ะเราเคยมีไม่อดไม่อยากบัด น, นี้เราหมดแล้วเราก็คิดถึงมันในบัดเนี้ยคิดถึงแต่ครั้งนั้นครั้งนี้เงินมีทองมีเข้ามีของไม่ออดไม่อยากเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหมดก็มา ทะเลกันว่ากันผัวเมียพูดเลี่ยงกันเลี่ยงมูลนดกเลี่ยงอะไรสารพัดมันก็ได้เถียงกันเนออันนั้นแหะอดีตที่ผ่านมาแล้วน่มันจะเอาขึ้นมามันมามาใช้ได้อย่างไรมันหมดไปแล้วเหมือนหมดเวลาแล้วเนี่ยมันเป็นอดีตแล้วมันเอาขึ้นมาไม่ได้หรอกเราอย่าไปเอาให้เราอยู่ในปัจจุบันขณะขณะเนี้ยอนาคตยังไม่มาถึงแล้วก็เมื่อต้องไปทาไปไปคำนั่นน่ะคำล่ำไรกับมันยังไม่มาถึงก็ เอาไว้นั่นแหละไม่ต้องไปนั่นหรอกไม่ต้องไปอยู่กับมันเพราะว่าอย่าไปกคะเนว่ามันจะได้อย่างนั้นมันจะได้อย่างนั้นนี่มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะให้อยู่ทำปัจจุบัน้ามันดีถ้าปัจจุบันดีมันดีหมดถ้าปัจจุบันไม่ดีมันไม่ดีเลยเนี่ยชาตินี้ดีชาติหน้ามันก็ดีเนี่ยชาตินี้มันไม่ดีชาติหน้ามันก็ไม่ดีเพราะว vale. mm. ่าต้นตอไม่ดีแล้ว มันก็ไม่ดีนะถ้าทําแล้วมันก็ต้องเป็นทุ่มบัตรของเราอยู่นั่นแหละนั่นแหละมันเป็นนั้นเพราะฉะนั้นเราให้ทําความดีไว้เนี่ยตัดออกไปแล้วยอามาคิดเนี่ยมามา ม, ามาเนี่ยมาสร้างความรู้สึกเนี่ยให้มันมีสมาธิคือความตั้งใจมัน่นดูกายกับใจมันเคลื่อนไหวอยู่ด้วยกันมันออกไปเราก็ดึงเข้ามาอย่าไปอยู่ในความคิดเนี่ยละ่ะ เดินไปพอชั่วโมงหรือว่าย0ิบนาทีเนี่ยมันจะมีคำตอบคือมันเหนื่อยมันเจ็บมันล่ามันชีเกียจขีข้านขึ้นมาอย่างนี้อ่เราก็มันอยากเปลี่ยนเอียบทเราก็ถามถามมาก่อนดูมาก่อนอย่าไปเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนตั้งแดยังมาปำเพืชปฏิบัติเราตามใจมันหมดทุกอย่างเลย มันอยากกินเราก็พามันไปมันอยากเล่นก็พามันไปมันอยากไปเที่ยวโนอนเที่ยวนี่ก็พามันไปฝนตกแดดออกตุลาแต่เขาจะสั่งเขาแต่ตุลาเขาจะคิดได้เนี่ยแหละเราก็ไปตามใจเขาหมดไปเป็นผู้เป็นกับเขาหมดเนี่ยมันที่ไปไม่ได้ทําการทํางานก็ไม่ว่าขอให้มันถูกใจกิเลสก็แล้วกันเออกิเลสก็คือผมคิดอันนั้นแหละตัวกิเลสจะได้คิดดีมันก็เป็นกิเลสคิดชั่วมันเป็นกิเลสเรามาทํานี้ก็คือให้ให้ทัน ความคิดให้ท่านตัวเจริญเออมันเป็นนายเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยเราเป็นชี้ค่ามันจุดแรกเขาจะจะเอาเราไปเนเนี่ยวันนี้เราก็เห็นมันแล้วเราก็ไม่ต้องไปเชื่อมันรลาเต้าตัวคือตัวเจ้าของเนี่ยตัวมาตัวใครตัวมันทุกคนเรานี่เนี่ยจะมาสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศชาติบ้านเมือง เดือดร้อนเนี่ยบทยุติ เ, เพราะว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ได้มารักษามาดูจิตดูใจตัวเองหวังจะเอาแข่ชนะกันอยู่เรื่อยเอารัดเอาเปรียบกันอยู่เรื่อยมันก็เลยไม่มีเวลาหยุดมีแต่เวลาที่จะฟันค่ากันอยู่อย่างนั้นตลอดไปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละให้เราพยายามนี่แหละผู้ศาสตราาเสียมเพราะอะไรเสียมเพราะเราไม่มาประพฤติปฏิบัติทําให้ประเทศ อื่นเขาดูถูกนินทาพระก็เป็นไปอย่างแบบหนึ่งโยมก็เป็นไปแบบหนึ่งไม่ได้เอาใจใส่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยเนี่ยพุทธศาสนาเราก็เลยเสื่อมไปเพราะคนไม่มีคนมาเปิดเผปฏิบัติตา่าใดที่มีบริษัทตั้งสีเนี่ยมีพิษุพิจุนีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยประพฤติปฏิบัติอยู่พระอารหันต์นี่จะไม่หนีจากโลกนี้เราไปได้เลยเนี่ย พระอรหัน์ไม่หนีหนีไป้นพ่ออะไรเพราะไม่มีคนมาประพฤติวิดิวัติมีแต่นี่แหละพวกเรานี่แหละมาทําอย่างนี้มันก็ไม่พอจะอะไรหรอกเหล็กมันไหยก็ท า, านจะไปสอนคนให้รู้ธรรมะเหมือนเท่านี้น่ยมันไปสอนไม่ได้หรอกคนมันมันไหลหเขาไปทั้งต่ําล้วมาทั้งสูงเนี่ยเขาก็ไปอยู่กับเขาไม่ได้เขาอยู่มันต้องมาอยู่จากพวกเรานี่แหละ เท่าโยค่เราก็เอาเชผอกผูกคอจูมือกับขอเท่านั้นแหละเหมือนกิเลสมันดึงเราไปนี่แหละเนี่ยพบคนใดก็เป็นไปเชิดคน น, นั้นเพราะฉะนั้นเรียบเข้ามาพวกเราเนี่ยาย่าไปปล่อยกิตใ จ, จให้มันเป็นหมันนี่แหละเรารู้จักอยู่ความทุกขความสุขเนี่ยมันมีจริงๆนี่ความสุขนั่นคือได้คือบุญของเรานั่นแหละความทุกข์นั่นก็คือบาป บาปหลายก็ก็ทุกข์หลายบาปน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่มีบาปไม่ต้องมีแต่ความสุขความสบายกายสบายใจอะไรก็ไม่อดไม่อยากขยันมันเพี้ยนทําการทำ ง, งานอะไรก็ดีเอาใจใสู่้จยจะเก็บหอมรอมริบรู้จกักโปลดจากละจากวางสิงที่พาพาให้เราทุกข์ เรารู้จักไม่ว่ามีความสบายใท่านนเราไม่ได้ไปสร้างความทุกข์ให้ตัวเองไม่วก็ค่อยบอกผ่อนไปผ่อนไปเนี่ยให้เราเข้าใจอันนี้อย่าอย่าปล่อยให้ยประมาดเราพวกเรานี่ประมาดนั่นหลายอ่ะคนที่บุญบุญนาะก็มีซะนี่มีพวกเราเนี่ยพระก้นี่หายากพระไม่อดไปอยากเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มประเทศไทยเนี่ยแต่ว่ามันมีพระมีแต่พวกเราเนี่ย ทำกันดูนี่แหละจะว่าจะให้หลายคนนี้อีกก็ไม่หลายมันเป็นนี่่นี่ะนนอย่างเขาไปในบาตรกรรมนี่มันก็ดีถ้าไปทำถูกออย่างผมไปตั้งแต่ก่อนนี้ก็ไปสนุกกันเฉยๆหรอกไปแห่กันไปสนุกเนี่ยบุรีก็ไม่เศาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อยากไ ม, ไม่ไม่หยุด หยุดเอามาค้ำๆเข้ามาแล้วก็ไปไประชุมกันถูกบุหรีแข่งกันจะมีท่าอะไรเนี่ยพวกเรานี่บุหรีก็ไม่สูบเนี่ยอะไรก็พากันทำเอาเหลียรลมแล้วตายเน่ยกว่าจะเข้าใจธาจารจรมะเนี่ยกว่าจะดูจากรูปจากนามใ้กว่าโอ้ย ไปเป็นไปที่ไปอยู่ใหม่ๆไปอยู่วัฒนธรรมในบางคนไปถ่ายไปตวาเนี่ยเลียดออกเลยสารพัดตั้งแต่ป็จนแหละไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนออนอนสามทุ่มเตสามลุกออไม่ได้หยุด พอมาทำวัดแล้วก็ฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็ไปบิณฑบาตไปมาถึงวัดก็มาฉันบิณฑ บ, บาตมาได้ก็มาฉันฉันแล้วก็ไปโลกปฏิบัติกลางวันเทนนี้บางทีก็ฉันบางทีก็ไม่ฉันเอาอยัางไงพ อ, อร่างจานล่างชามเสร็จแล้วก็เอาไปตากไว้แล้วก็จะใสห้องปฏิบัติ หาทางปฏิบัติเลยเอาอยู่นั้นแหละไม่ไม่รู้หรอกไม่อาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านท่านก็สอนสอนแต่ว่าไม่สอนไม่ไม่สอนแบบทุกวันนี่หรอกสุดแล้วจะใครจะหาได้อันตัวรู้เนี่ยให้รู้จากรูปรู้จากนามนะ เ, ออเนี่ยเนี่ยให้อยู่นี่ละเดินไปเนี่ยให้รู้เดินไปเราก็ให้รู้ในี่แหละอะไรเข้ามาก็ให้รู้ดูแล้วก็ทิ้งไปรู้ก็ทิ้งไปไม่ต้องไป หยุดไม่ต้องไปย่อนเนี่ยนะหาวิธีแก้มันม่วงนอนเข้ามาก็ทำแรงๆแล้วก็วิ่งบ้างถอยถอยหน้าถอยหลังบ้างท่านสอนกูบาอาจารย์สอนก็อยู่อย่างนั้นแล้วไปแล้วก็ไปก็ไปสอบอารมณ์อาจารย์มาสอบอารมณ์ก็อะไรอะไรรู้ในแมเนี่ยเดินอยู่นี่อะไรเนี่ย ผมแล้วครับเพราะเดี๋ยวตอบเนีก็มาจับแขนอันนี้อะไรอันนี้แขนอันนี้อันนี้ขาเนี่ยทีตอบว่ารู้ปนามันก็ไม่ตอบไม่ได้ไม่รู้จักเลย <c oughs> ใจอยู่ไหนก็รู้รู้จักนามไม่รู้จักนามไหมเขาถามรู้ครับรู้รู้รน้ําคือใจคือใจอยู่ที่ไหนใจใ จ, ใจอยู่ในในี้ครับมันได้ยินเสียงมันด้วเนี่ย มือนกัมันก็ผิดหมดได้แหละเนี่ยเอามือมือทงเนี่ยตงพวกอันไี้เป็นลูกอันไดอันนี้เป็นน้ําเนี่ยนี่นอะไรเนี่ยไม่รู้เลยตอบตอบมาได้ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าน้ำมันเป็นยังไงลูกมันเป็นยงไงเนี่ยโอ้อันหนึ่งเนี่ยเนาะอันหนึ่งมันก็เคลื่อนอยู่เนี่ยก็ด่ามันก็มันมันบอกให้ทํามันก็ทํานะน้ํำนะเนี่ยน้ำมันพ่าทําอ่ะ ทำให้พาเคลื่อนไหวก็นำพาให้เคลื่อนไหวไวๆตัวที่เป็นนิมิตนี่ก็เป็นกายเนี่เป็นกายเราก็รู้จักให้อยูขอ่ของสองสิ่งเนี่ยไปไหนก็ให้เอาของสองสิ่งนี่เป็นอันเดียวกันด้วยอันเดียวกันแล้วก็มันคิดไปก็เฝ้าดึงดีดดึงเข้ามาใหญ่มันออกไปไกลมันไปถึงโุกเทพเริ่มมาอยู่กับตัวเนี้พอเรากำหนดตัวนี้มันก็เข้ามาท่านนั่นแหละตัวรู่ รู้สึกรู้สึกรู้สึกมันก็ค่อยอีดีเข้าดีเข้าหาที่พึ่งพอเข้าใจลูกน้ำเนี่ยเล็กๆน้อยนมันก็ค่อยเบาค่อยสว่างสวัยกับจิ ต, ก, จตกับใจเราไปเมื่อค่อยไปค่อยไปดูความคิดที่มันเข้ามาเนี่ยไม่ต้องหยับอยาหยาไปฉนใจมันเพราะว่าเราเป็นคนใหม่ให้อยู่กับตัวรู้สึกกับการเคลื่อนไหวเนี่ยพอมัน เคลื่อนไว้ไปเคลื่อนไว้มาเนี่ยมันคิดขึ้นมาเราจะเห็นเองเออเราเราเห็นแล้วเราก็รีบเข้ามาบางทีมันก็ไปติดไปอยู่ตั้งครึ่งวันก็มีใหม่มเราไม่รู้จักพอเราเห็นนี่หมดเราก็รีบเข้ามาอยู่กับตัวรู้สึกหลายข้างหลายค้าวเข้าค่อยรู้จักเข้ารู้จักเข้ามันก็ค่อยหายออกห่างออกห่างออกไปห่างออกไปแล้วก็แล้วก็เอาอยู่อย่างนี้แหละปฏิบัติอยู่นี้เดียมันก็ดี เมื่อใดมันไปมันออกไปนานเนี่ยมันจะเกิดภาคภูมิใจ เ, เ, เห็นดูดึกเห็นความคิดตัวเองเนี่ยขนจริงลุกขึ้นหมดหมดเลยเมีความปรีติภาคภูมิดี อ, อกดีใจว่าตัวเองเห็นความคิดแล้วก็สามารถจะยึดยัางมันไม่ได้อย่างนี้ดี อ, อกดีใจภาคภูมิใจเนี่ยมีความนั่นก็โอ้ ขยันมันเพียนไม่อยากหนีแล้วบะเนี่ยดูไปอย่างนั่นเน่เห็นรูปเห็นนามรูจากเข้าใจรูปทำนามำ้ำเนี่ยููจากรูปทมนามรมแล้วก็ไปดูจากรูปโลกนามโลกน่รูปโลกนามโลกกายมันเป็นโลกแล้วก็จิตใจของเรามันเป็นโลกอย่างเงี้ยรูปทำ คือการเคลื่อนไหวนามธรรมคือใจเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวมันคือมันรู้จักนะกายเนี่ยกายกับใจเนี่ยถ้าไม่มีกายโอถ้าไม่มีกายมันก็ไม่มีที่พักที่อาศัยถ้าไม่มีใจมันก็เคลื่อนไหวไม่ได้ทัองอย่างนี้มันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็รู้จักเนี่ย ม, มีความรู้สึกทุกส่วนที่เราเคลื่อนไหวอยู่นี่ออันนั่นเป็นนามเนีให้เราอยู่กับตัวนี้แหละอย่าอย่าทิ้งให้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้คําพูดของพ่อพลนะจริงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีวิธีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองอย่างผมเคยเป็นนะเคยเป็นเนี่ยเวลาจะ เข้าใจ ร, รูปเข้าใจนามเนี่ยมันจะสับสนวุ่นวายไม่รู้จักนี่นเป็นวัดก็ไม่รู้วัดเนี่ยมันก็ไม่ไม่มีไม่มียามหรอกถ้ามันอยากเป็นอนะ่ะถ้ามันติดอารมณ์อะ่ะเออที่ดังขี้โมกนี่ปืดปั้ดปืดปั้ดหายใจก็หายไม่ได้ใจก็จะตุจหุดจะขาดแล้วว่าเราก็หาเรื่องจะหนีล้วบิดเนี่ย ขี้เกียจไว้ไม่ไว้ไม่ไว้ไปนะ่ะคิดอยู่ในใจท่อแท้เลยไม่อยากทําแล้วบัด น, นี้ก็ถ้าจะหนีก็ไม่ได้หมู่เขาก็เอาอยู่งนะั้นน่ะบัดนี้ก็ค่อยดูมาดูตัวรู้สึกอย่าทิ้งตัวรู้สึกค่อยดูไปดูไปดูไปเนี่ยโดยมากนะั่นแหละพออะไรเกิดขึ้นนะ่ะเราใจออกกับตัวรู้สึกนี้ไปแล้วก็ตัวกิเลสมันก็เข้าเข้าไปทับถมเราอีกหนักโดนหนักโตนหนั ก, นกแข้งหนักขา แล้วก็ค่อยทําไปทําไปทํามันอยู่ตัวรู้สึกนี้มาค่อยห่างออกห่างออกเบาก็จับความรู้สึกนี้ได้ชัดเข้าชัดเข้าแล้วก็เราก็เดินไปนั่นแหละตัวไหนขึ้นก็ให้รู้จักตัวใดตัวใดออกไปก็รู้จักตัวใดเข้ามาก็รู้จักให้รู้แล้วก็ทิ้งไปบางทีก็ดีบางทีก็ไล่ที่มันเข้ามามาสอนเราหมดนั่นแหละให้เราอดทนให้ได้ให้มีความเพียร ให้อดจ่าพยายามมีคติคบอดทนอย่าไปทอแทะต่อสิ่งที่มันเกิดนั่นแหละทิ้งที่จะให้ทิ่งนี้แหละมันมานอนนิ่งเนื่องอยู่ในในกิตในใจในร่างกายของเราเนี่ยมันทําให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราขี้เกียจตีขัน้นทําให้เราเก็บเราปวดทําให้เราเหนื่อยเราล้าเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ปราบมันักทีแล้วมันก็เป็นผู้ชนะเราอยู่ตลอดเวลา ม่เกิดให้เราเห็นหมดทุกอย่างเลยนั่นแหละมันสอนเราถ้ามันไม่เกิดมาให้เราเห็นเนี่ยความโกรธก็เหมือนกันความนักความชังความดีใจความเสียใจมันมาสอนเราทั้งหมดเลยถ้ามันไม่เกิดมาไม่เกิดมาเราเห็นเลาก็ไม่รู้จักเนี่ยเวลาโกรธขึ้นมาที่มันมันผิดใจหคิดเห็นดิ่งที่เคยอาฆาตกันมาแต่ก่าแต่ก่อนมันลุกขึ้นมาให้เราเห็นเลยโอ้อันนี้ตัว เจเล็ดเอ้ยความทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยความโกรธเนี่ยไม่ใช่ของดีอ่ะมันหมักดองอยู่ในดวงสันดานของเราเนี่ยเนีบางทีก็มามาอยู่ในน้อยวันหอกบางทีเป็นเดือนเป็นปีตลอดชีวิตก็มีคิดเห็นวิญญาณเ้ีก็เลยอาฆาตกันอยู่ท่านแล้วมาเห็นอ่ะมันเน่ามันเหม็นเห็นใครมานี่ก็ไม่อยากพูดละบางวันอ่ะเออมันเน่ามันเหม็นอ่ะเห็นใครก็ไม่นั่นแหะเห็นใครก็อิดช้าพยาบาทเขาเรื่อยๆไปนะ เห็นเขาเดินผ่านกันคิดว่าคิดว่าแต่เขาจะมาถ่าลายไปเนยตัวเห็นเขพูดกันว่าแต่เขาพูดเรื่องตัวเองศาสนาพันธุ์มันแต่จริงมันมันปรุงมันแต่งไปอ่ะนี่แหละเรามาเห็นก็มาเห็นสิ่งเหล่านี้แหละเห็นสิ่งที่เราได้มันสร้างพบสร้างทราบคือมาให้เราเห็นให้เราไปต่อต้านกันอีกต่อสู้กันอีกปัดกันเปรียบกันลุกเปรียบกันรับเปรียนกันจ้องหน้าจ้องผ่านแล้วก็เราก็ละละเลิกออกไปเลิกไป กิเลสของเราก็รู้จักความอิจฉาความพย า, ายามบัตรความทําให้เราเดือดร้อนกิเลสตัวกิเลสตัวไหนมันมาเข้ามาเนี่ยเราจะรู้จักมันเราจะรู้จักปล่อยจักรละจังวางไปนั่นแหละให้เราสังเกตตัวเองอะไรเกิดขึ้นมาก็ให้มันเกิดเราอย่าไปห้ามมันอันไหนจะดับเมมันดับอันไหนจะตั้งอยู่มันตั้งอยู่อายตนาภายนอกภายในเปิดออกให้เปิดนั่นแหละซึ่งเหล่านี้แหละมันมาสอนเราอ่ะ ถ้าเรารู้จักแล้วเราค่อยจะสบายใจอะไรเกิดมาค่อยให้มันเกิดมาอค่อยเลิกไปค่อยให้มันเบาไปให้มันเป็นทางผ่านให้หมดเราจะไปเข้าไปเพ่นเม่อย่าเข้าไปอันนั้นเขาอย่าไปสนใจเลยนั่นแหละอย่าอย่าปล่อยให้ชีวิตเป็นหมันค่อยๆอวดาจพยายามมันอยู่มันถ้าเราเข้าใจแล้วมันไม่มันไม่โยกย้ายหรอกธรรมาโยกย้าย เราอย่าไปเพ่งเราอย่าไปจ้องเดินให้สบายสบายแฮป้สไตลกลางเวลาเดินเนี่ยอย่าไปก้าวยาวมากให้มันพอดีดีเนี่ยแล้วก็อย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องมันจะเป็นอะไรก็าตามมันตัวเล็บมันได้เจ็บจะปวดอะไรก็าตามให้เราเดินไปเฉยดูเฉยนั่นแหละให้รู้อะไรเกิมารู้รู้เฉยแล้ว ก, ก, ก็ออกมาได้ออกมาแล้วก็มันกับถ้ามันเราดูจากตัว รู้เนี่ยชัดๆเข้าน่ะมันก็ค่อยเราทันเข้าทันเข้ามันก็หนีมันก็ไม่มาไม่มามากวนเราหรอกตัวจิเรศกับตัวเนี่ยเหมือนหนูน่ะหนูกับแมวเนี่ยหนูกับแมวนี่ถ้าหมูถ้าหนูมันตัวเอ่อตัวใหญ่แมวตัวเล็กมันก็สู้เอ่อสู้หนูไม่ได้แมวเนี่ยมันกับหนูเนี่ยมันคู่อรกกัน ถ้าเห็นแมวอันหนูนี่ตัวเล็กๆแมวอันหนูนี่ตัวใหญ่ๆอันแมวตัวเล็กๆเนี่ยมันเห็นมันกระโดดใส่เลยอแมวเนี่ยมันไม่มันไม่กลัวเพราะกัดหนูได้เนหูก็วิ่งไปวิ่งไปมันก็ไปนั่นแหละเหมือนความคิดเราเน่ะมันไปติดมันไปคาบหนูได้แล้วมันก็วิ่งไปเลยหมูหนูมันตัวน้อยมันก็ติดความคิดไปเนี่ยติดแมวไปจน มันเหนื่อยมันวางนั่นแหละอนหนูมันก็แล่นนีวิ่งหนีไปแมวก็เลยกลับขึ้นมาเนี่ยนะความคิดของเรานะถ้าเราสู้ความว ง, ง่วงงอเฮานอนหรืออะไรก็ไม่ได้ก็าตามคือความคิดนี่ก็าตามให้เราพยายามทําให้มันนั่นเนี่ยเอาแมวเอาเข้าให้มามาม า, มาให้แมวกินคือว่าเรามาสร้างจังหวะมาเดินโยกลมเนี่ยให้มัน ได้พ่อชั่วโมองนั่นแหละ ย, ยังค่อยพามันพักพักแล้วก็อย่าพามันพักต่อมาแล้วก็ไปเดินไปยกมือสร้างจังหวะดูนั่นแหละนี่แหลเขาเรียกว่าเอาแมวเอาข้าให้แมวเอาเข้าให้แมวกินเอาอาหารให้แมวกินคือมาสร้างจังหวะเนี่ยเราก็แมวเราก็ตัวใหญ่เห็นหนูกระโดดใส่มล้วก็ ตายท่าแนแหนพอแมวกระโดดใส่หนึ่งคาบมันมันก็ตายท่าแนแหน่มันช็อตตายอัแมวน่ะอั น, นะ อ, นอันหนูนะั่นแหะมันตายอะ่ะแล้วแมวนี้ก็แข็งตัวใหญ่ขึ้นก็เ ม, มื่อเมื่อก็ไม่กลัวแล้วดูดูนหนูบอลเนี้ยนี่แหละให้เราให้เราพยายามทำํำจนให้มันแก่กล้าให้มันชนะพอมันรู้ปับ๊บเห็นปั๊บรู้ปับป๊บเห็น พอพอพอเห็นปั๊บเนี่ยรู้ทันทีเห็นปั๊บรู้ทันทีรู้แล้วมันขาดออกขาดออกขา ด, ขาดออกอถ้าเราเป็นมหาตจีแล้วพอมันมันที่คิดเนี่ยมันมันเห็นแล้วเห็นแล้วพอเราอยู่ได้พอเราเห็นแล้วน่ะมันหนีไม่ขาดออกไปเฉยเนี่ยอเราเราก็ไม่ได้ระวังยากหรอกอันนี้ตอนนี้มันมันจะนานๆจะคิดมาทีหนึ่งแล้วก็เราก็เกิดคิดมามันเกิดขึ้นมาเมื่อใดเราก็เห็นมันมันอยู่นั่นน่ะมันก็ไม่ ยุห ล, ลานเนี่มันก็สบายใจของเราปลอดโปร่งโล่งสบายนั่นแหละเป็นนั้นพราฉะนั้นให้เราพยายามโอ้นานเกินไปแล้วมั้งอะละทุท่านนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธเจศาสนาคือความสว่างความสะอาดความสงบความจดใจว่องไว จงมีแจ้าท่านทุกๆคนในเวลาเาวาในเวลาใกล้ที่เิน